เจ็ดกระถาสูตรว่าด้วยกระถาเครื่องขัดกลาวกิเลสเ7้าสิบเจ็ดิสทั้งหลายภิสษุประกอบได้ทำหประการเจริญอาณาปานสติกรรมฐานอยู่ไม่นานนักย่อมบรรลุอกุปธรรมทำหประการอะไรบ้างคือภิสษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งเป็นผู้มีธุระน้อยมีกิจน้อยเลี้ยงง่าย สันโดษในบริการแห่งชีวิตสองเป็นผู้มีอาหารน้อยมันประกอบความไม่เห็นแก่ปากแก่ท้องสามเป็นผู้มีการหลับน้อยมันประกอบความเพียนเครื่องตื่นอยู่สี่เป็นผู้ได้กถาเป็นเครื่องขัดเกลาอย่างยิ่งเป็นสัพเยะแห่งความเป็นไปของจิตคืออัปิฉกัถาสันตุติกัถา ปวิเวกกถาอสังสักขะกถาวิริยารมภกถาสีลกถาสมาธิกถาปัญญกะถาวิมุตกถาวิมุตยานทัศนกถาตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้ไม่ลำบาก 5. พิจารณาจิตตามที่หลุดพ้นแล้วภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบได้ทำหประการนี้แล จเจริญอาณาปานสติกรรมาฐานอยู่ไม่นานนักยอมม่อมบรรลุอกุปธรรมกถาสูตรที่เจ็จบ